ตายเมื่อตายนั่นแหละกลายไปเป็นผีตายไม่ดีไม่ยอมตายนั้นตายโงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่ลงตายโอทงนั้นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลาย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 อันนี้หละคือชีวิตส่วนคนที่มีความทุกข์เป็นเพราะว่าขาดปัญญาขาดสติที่จะมากำกับจิตใจตัวเองถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการมีสติด้วยการมีปัญญาชีวิตก็จะปอลอดโปร่งโล่งเบา ไม่หนักไม่เครียดเพราะฉะนั้นถ้ า, าว่าเรารู้ตัวว่าเรายังมีความทุกข์อยู่ยังสแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เราลองมาทํากิจกรรมชนิดหนึ่งคือการมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่แหละคือทางดําเนินไปสู่ความ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 เจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกตัวเดีย๋ยวเราลองมาทำตรงนี้ก่อนเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งของสติอาจจะมาแล้วลึกลู้ลงไปที่ลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้มีสติเข้าไปรู้รู้เบาๆอย่าไปเพิ่ง อย่าไปจ้องเมื่อเราเคลื่อนไหวกายก็ดีหรือมาลุ้นลมหายใจก็ดีเนี่ยแต่ว่าเอาส่วนเนี่ยส่วนที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่ท่าของสติแล้วการระลึกรู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวอย่ารู้แบบจี้นะให้รู้แบบแย ก, แยกรู้ห่างรู้เบาวางใจเป็นกลาง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 ไม่ใช่รู้คิดแต่เป็นความรู้สึกตัวด้วยสติเราอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดกับการปฏิบัติบางครั้งนี่การเจิญสติแบบเคลื่อนไหวไปมาในแนวหรือ ก, ก็เทียนก็ตามหรือแนวไหนก็ตามเราอาจจะไม่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนใจเราก็จะปฏิเสธล่ะอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมั่ง พระพุทธเจ้าไม่ได้แตสรู้เรื่องนี้แล้วมั้งครูบาจารย์เราไม่เคยสอนแบบนี้อาจารย์องค์นู้นว่ายัางไงองค์นี้ว่าอย่างไงใจเราคิดแหละคิดแบ่งแยกเริ่มต้นก็ผิดซะแล้วเรามาเจริญสติไม่ใช่เจริญความคิดลองเปิดใจให้กว่ามีคําคำหนึ่งคํามักจะบอกกขาว่าอันนี้ไม่ใช่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 ลมหายใจคือตัวทุกข์มันต้องเข้าแล้วก็ต้องออกเห็นไหมทุกปรากฏชัดต่อหน้าต่อ ต, อตาเป็นปัจจุบันเราเห็นไหมนั่นคือทุกเห็นทุก <_ S 1> คือเห็นธรรมเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ได้อย่างไรอันนี้ลหละคือปัญญาคือส่วนสาคัญกายทุกข์ใจเราจะเกี่ยวข้องอย่างไรทุกบางอย่าง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 ทำรรมาที่ละทันทีละแล้วจิตมันก็หมดทุกเพราะฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจก็ตามใครเป็นผู้เห็นก็คือสติสมัมปชัญญะนั่นเองเราอยา่าปฏิเสธในความทุกข์นั้นดีแล้วเข้ามาให้เราเห็นมาให้เรารู้เห็นทุกคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นทุก